อนาปฏิวนันภิษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ294 1. ภิกษุผู้กล่าวว่าจงบำรุงด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและบริขารคือยารักษาโรค 2. ภิกษุวิกลจริต 3. ภิกษุต้นบัญญัต